กับโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันทางโลกยอมมีจิตใจส่งออกภายนอกไม่มีวันย้อนกลับมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องไดเรื่องเสียเปรียบเสียเปียก เอาลัดเอาเตียยคิสไปในแง่ใดก็เป็นเรื่องโลกไปหมดท่านจึงเรียกว่าโลกยิราความเคลื่อนไหวทางกายทางอวัจารเป็นโลกไปทั้งนั้นนัน่นเรียกว่าโลกไม่เหมือนทำจึงเรียกคนละอย่างทำนั้นย้อนกลับ ทั้งคิดทั้งหนัาทั้งย้อนถอยกลับคิดเรื่องโลกเรื่องเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเสมอเพื่อหาเหตุผลเป็นที่ยุติในทางที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ควรละเว้นก็ต้องละเว้นตามหลักเหตุผลนั้น สิ่งที่ควรทำก็ต้องทำตามหลักเหตุผลและทำด้วยความจงใจทั้งสองอย่างทางเล่าเว้นในสิ่งไม่ดีก็ต้องเลาเว้นจริงๆการประกอบในสิ่งที่ดีก็เป็นไปด้วยความสนใจจดจอ่อจริงๆท่านจึงเรียกว่าทำรวมแล้วก็ การเรียนทำก็คือการเรียนงการเรียนเรื่องของตัวเทียบกับโลกสงสารซึ่งเป็นลักษณะอย่างเดียวกันโลกจะกว้างแสนกว้างคนจะมีจำนวนมากสัตว์มีจำนวนมากทั้งสัตว์น้ําสัตว์บกคนถ้าดชั้นวันณะนั่นนี้ตามสมมุตินิยมเมื่อเทียบในความเป็นไปความเป็นอยู่ ความเคลื่อนไหวในแง่ต่างๆย่อมเป็นเหมือนๆกันนี่จริงเรียกว่าสุงออกไปภายนอกย้อนจิตกลับเข้ามาภายในเพื่อทบทวนเหตุผลเหตุผลต้นปลายหาทางยุติว่าจะเอาอย่างไรดี ถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเรื่องโลกก็คือเรื่องความผูกพันเรื่องธรรมก็คือเรื่องปล่อยวางคือความปล่อยวางเรื่องของโลกย่อมมีแต่ความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องแต่เรื่องถอดเรื่องถอน ผูกพันคำว่าผูกพันก็ผูกผูกพันอันเป็นแถวทางที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นจุดจุดหมายปลายทางเป็นโลกไปล้วนๆวนก็เป็นวัฏฏะวนไปล้วนๆวนทุกข์สุขเยื่อปนกันไปส่วนมากมีแต่ทุกข์สุขเป็นเครื่องร่อเล็กน้อยความทุกข์นั้นมีจานวนมากแต่ปิดปางไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ ผู้ที่เป็นผู้ที่รับความทุกข์ความสุขลเล็กน้อยนั้นก็ไม่ทราบเรื่องของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ทั้งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้รับในการต่อไปเรื่องของโลกเป็นเรื่องหมุนอย่างนั้นคือหมุนไปข้างหน้า แล้วก็วกเย็นกับย้อนมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ท่านเรียกว่าวัดตวงนก็คือเรื่องของโลกท่นนี้เรื่องของธรรมเป็นเรื่องวิวัตตะคลี่คลายในสิ่งที่เคยผูกพันเกี่ยวก้องกันมาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นเชี่ยนเป็นหนามต่อตอนเอง แ, แก้ไขคลี่คลายสิ่งที่ พัวพันกับตนออกไปโดยลาดับท่านจึงเรียกว่าเรียนธรรมะก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีคือการเรียนเรื่องของตัวและปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละในโลกกับทมผิดกันอย่างนี้คือสวนทางกันไปโลกเป็นฝ่ายผูกมัด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 เครื่องดึงดูดภายในที่เป็นตัวโลกล้วนๆฉุดลากออกไปจึ่งต้องทวนกระแสกลับเข้ามาท่านเนียกว่ะทวนกระแสโลกคือทวนกระแสของแห่งจิตตัวเองนั่นแหละที่มันเคยเป็นมาโดยลําดับลําดาและเป็นไปอย่างนั้นอยู่ประจําขนาจิตไม่มีเวลางดเว้นหากเราไม่มีสติพินิพิจนารณาด้วย สติจริงๆด้วยความจดจอด่อจริงๆด้วยปัญญาพิจารณาจริงๆจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมกับโลกในจิตดวงเดียวกันนั้นใดเลยคำว่าโลกผู้ปฏิบัติยาหมายถึงผู้หนึ่งผู้ใดอันจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามยกนั้นยอนี้ทุ่มลงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเหยียบการยกกันหยออันเป็นเรื่องของโลกไปเสีย ให้ย้อนเข้ามาเรื่องภายในของตัวเองเหยียบก็เหยียบวิเลสภายในใจของตัวยกก็ยกธรรมขึ้นเพื่อต่อสู้กับกิเลสมีเรียกว่าเรียนธรรมทวนกระแสจิตเข้ามาสู่ทางธรรมเข้ามาอย่างนี้กระแสจิตล้วนๆ น, นั้นดักธรรมชาติของมันเป็นกระแสของกิเลสโดยตรงที่แสดงออกมาใช้จิต เป็นเครื่องมืออาการของจิตแต่ละอาการที่คิดที่ปรุงออกมาที่สัมผัสสัมพันในสิ่งต่างต่นแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะได้ทำงานในบารากิสัมผัสนั้นต่อไปโดยลำดับทั้งนั้นการทวนกระแสแห่งความเป็นมาจนล่าปลื้นแล้วจึงเป็นการย่าการนำบักอยู่เป็นธรรมดา แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือความยากความลำบากเหล่านี้ซึ่งจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเข้ามายุ่งกวนจิตใจจะมุ่งแต่ผลอันดีที่จะยกยอตนขึ้นด้วยอัดด้วยธรรมเพื่อปราบปรามสิ่งที่กดถ่วงทั้งหลายให้หมดให้สิ้นหรือเบาบางลงไปโดยลําดับเท่านั้นนี่เป็นหลักของผู้ปฏิบัติธรรมเรียนก็เรียนเพื่อรู้ เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้วิธีละวิธีบําเพ็ญการปฏิบัติก็ปฏิบัติไปตามแถวแนวที่เราได้เรียนมามากน้อยในแง่ใดก็ตามก็ปฏิบัติไปตามแง่นั้นแน่ที่เรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติจะเดินสวนทางกันกับการเรียนมานั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านให้นามว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนเรียนวิธีการทุกสิ่งทุกอย่าง ในการที่จะแก้จะถอดถอนหรือบำเพ็ญตนเองโดยอาการต่างๆหรือวิธีการต่างๆปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามที่ศึกษาเรียนมานั้นอันเป็นเข็มทิศที่ถูกต้องดีงามมาแล้วจากสวครา์ธรรมของพระพุทธเจ้าีผลจึงเป็นผลจึงเป็นสิ่งที่พึงหวังไปโดยลำดับที่เรียกว่าปฏิเวทะได้แจ่ความรู้แจ้งไปเป็นลาดับลำดาตาม กำลังแห่งความภากเปลี่ยนดัชติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นนั้นไม่ใช่คำว่าปฏิเวทะนี่รู้แจ้งแทงตลอดไปในขณะเดียวหากเป็นไปตามการปฏิบัติของเราเพราะเป็นผลการปฏิบัตินั้นเป็นมรมรมีกำลังมากน้อยเพียงไรเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นมาก็มากน้อยตามกำลังของมรคือการปฏิบัติของผลนั่นแหละ หนืองการเรียนทําการปฏิบัติทำในครั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นโดยลําดับลาําดังไม่ใช่การเรียนกับการปฏิบัติเดินสวนทางกันดังที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่เดินสวนทางกันระหว่างประหยัดกับปฏิบัติ ของผู้ทรงจามาทั้งหลายโดยถือเอาความทรงจำนั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียทั้งๆ ท, ที่ไม่ไ ด, ด้ดำเนินเหตุแต่ประการใดคือการปฏิบัติยังไม่ปรากฏแต่ก็เอาผลจากการเรียนนั้นมาเป็นตัวของตัวเป็นความรู้ของตัวเป็นเนื้อเป็นหลังของตัวไปเสียโดยที่หาความจริงไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ความจริงนั้นไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักแห่งการเรียน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 ที่เรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นตัวผลคือว่าเรารู้เราฉลาดไปเสียทั้งๆที่ละกิเลสมาได้แม้ตัวเดียวจะจัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบทำได้อย่างไงมันก็เป็นเพียงความจำนอกจากนั้นก็สวมเข้าไปอีกว่าเป็นความหลงของผู้เรียนมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงตางหลักทานถ้าตามความจริงแล้วเรียนก็ทราบว่าเรียน จำบทจำบาทจำคาถาบาลีจำตำหรับตำลาวิธีการต่างๆของท่านในการละการมัาเพนงมาก็ให้ทราบว่าตนได้เรียนมาอย่างนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวผลที่จะยังที่กิเลสบิดลอยออกไปแต่ประการใดเลยจึงต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องสืบต่อกันเรียกว่าเรียนถูกต้องคือเรียนเพื่อปฏิบัติ ไม่เรียนแบบสวนทางกันคือการปฏิบัติไม่มีแต่เอาการศึกษาเราเรียนนั้นมาเป็นตัวมากตัวผลซะเอง ท, ง, ทงทั้งๆที่มรรคก็ไม่มีผลก็ไม่มีนิเลศไม่หลุดลอยออกไปเลยจากหัวใจมรรคผลก็ไม่ปรากฏขึ้นภายในใจในขณะที่เรียนนั้นเลยนี่เยกว่ายังไม่มีผลอันใดแต่ถือว่าการเรียนนี้เป็นผลแล้วนี่คือการเดินสวนทาง ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคือเดินสวนทางของธรมรมจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในภาคต่อจากปริยัติไปแล้วดังราษาโวกทั้งหลายสนับธรรมจากพระพุทธจากที่พระองค์ทรงทรามสอนวิธีการต่างๆแล้วนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นต้นไม้ใช้ ร่มไม้ชายเขาในป่าเนี่ยตามถ้ำเงื้อผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรเพื่องาน น, นั้นๆจะได้สาเร็จรไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งจีตควางใดๆเข้ามาวุ่นวายนั่นละเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินั้นแลจะเป็นภาคที่ยังผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่ ขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นภายในใจิตใจที่เราจําได้แล้วในทางปริยัติว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความสงบล่มเย็นหรือแปลว่าความตั้งมั่นนั่นเป็นชื่อของสมาธิยังไม่เป็นสมาธิขึ้นภายในใจของเราจรึงไม่เรียกว่าเราได้ผลแล้วในขณะที่เรียนได้แต่ชื่อยังไม่ในตัวตัวจริงคือความสงบอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นอย่างไม่มีมีแต่ชื่อจึงต้องอาศัยการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้วหรือได้ศึกษามาแล้วจากครูจากอาจารย์ดังพราษาโวกทั้งหลายได้สดับมาแล้วจากพระสาวสดา mm hmm. ก็ไปพื้นปฏิบัติจนปรากฏเป็นสมาธิคือความเยอกเย็นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วพูดถึงด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาแล้วก็จําได้ในปริยัติจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา ถึงมรรคผลนิพานความดุดพ้นทะลุอุโปรงไปหมดในการศึกษาเราเรียนการจําได้มานั้นแต่จิตมันไม่ทะลุจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นปัญญาขั้นต่างๆจิตไม่เป็นดิมุตุดุจโทนมันก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพานนั่นจึงไม่จัดว่านั่นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นแต่เพียงความจําเท่านั้นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการ ความหลุดพ้นหรือต้องการผลอันเป็นที่พึงใจโดยํะดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นโดยสิน้นเชิงต้องอาศาัยการปฏิบัติเป็นพักพื้นเป็นสาคัญเมื่อการปฏิบัติหม่ผลก็จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัตินั้นได้มากได้น้อยผลจะปรากฏขึ้นมาตามนั้นเห็นสมาธินี้เป็นผลเบื้องต้นแล้ว ปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละที่มีเรียกว่าเป็นผลเริ่มเป็นปฏิเวทขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อของสมาธิจดจําได้จากคำภีรบราลานจากครูจากอาจารย์แต่องของสมาธิแท้ยังไม่ปรากฏบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยการสมาธิภาวนาของเราเป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ใจนะการพิจารณาทางด้านปัญญาเราก็ได้แต่ชื่อ ของปัญญาขั้นต่างๆเช่นปรุณะวิปัสนาแล้วก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญามีมีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่พอเราได้ปฏิบัติทางภาคปัญญาปัญญาขั้นต่างๆที่เ ร, เรียนมานั้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจจนปรากฏได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถวาดฟันกิเลศ ประเภทต่างๆให้ขาดสะบั้นประจักใจเป็นลําดับตํามดาจนถึงขั้นวิมุตติพ้นหลุดที่ใจพราะปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจาฟาดพันกันลงที่ใจเมื่อสติปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดย่อมจะทําลายกิเลสประเภทนั้นให้หมดสิ้นประจากใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดได้แก่มหาสติมหาปัญญา แทงทะลุ ป, ปลุกปลงไปหมดกิเลสประเภทใดๆจะไม่นอกเหนือปัญญานี้ไปได้เลยจนกระทั่งจิตมีความจิตหลุดพ้นเพราะปัญญาเป็นผู้ปลดเรื่องฟาดฟันสิ่งที่กดท่วงหรือผูกพัน จ, จิตใจจงหายออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนีปัญญาก็เห็นที่ใจรู้ที่ใจเป็นสมบัติของใจแท้ไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบ ข, ขั้นพื้นๆขั้นกลางขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้แก่มหาลพีมหาปัญญา นี่เป็นสมบัติของตนทั้งฝ่ายมากคือปัญญาก็ปรากฏทั้งฝ่ายผลคือความดุพ้น์ไปโดยลําดับัดๆจนกระทั่งหลุพ้นโดยสิ้นเชิงก็ปรากฏขึ้นประจักษ์ใจนี่คือผลได้รับแล้วผู้นั้นนี่เมื่อเดินตามแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติแล้วจะต้องปรากฏปฏิเวทธรรมไปโดยลําดับจนกระทั่งถึง ป, ป, ฏปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีเหลือ ในเรื่องทำกับโลกต่างกันดังที่กล่าวมานี้คือทวนกระแสเข้ามาดูข้างนอกทดสอบเข้ามาข้างในเทียบเทียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนเพื่อเปลื่องตนเองซึ่งติดอยู่ในทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในทั้งภายนอกและภายในก า, ารพิจารณาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังทั้งออกข้างนอกทั้งเข้าข้างในพิจารณา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 เนี่ยที่ท่านให้นามว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่รู้แจ้งแทงทะลุในเรื่องอนิจจังทุกขงังอันตาแล้วปล่อยวางเฉยๆ เ, เพียงเท่านั้นยังจงรู้แจ้งแทงทะลุไปจนกระทั่งอุปนิสัยสัของสัตว์โลกความเกิดแก่เจ็บตายว่าใครได้เกิดเคยเกิดมาเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยลําดับําดาแทงทะลุไปหมดนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า คุณสมบัติของสาวกได้แจกู้แจ้งแทงทะลุเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอนิจังทุก ข, งขังน่าตาว่าของเ้ากับของเราทั่วแดนโลกทานนี้มีสภาพเหมือนกันหมดเป็นอันไม่สงสัยขายสงสัยแล้วโดยประการทั้งปวงนี่เดียว่าโลกวิถูของเป็นคุณสมบัติของสาวกซึ่งได้โดยกันทุกองอันนี้เพราะเป็นเรื่องปัญญาแทงทะลุไปเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายใน เป็นในลักษณะนี้ทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะไม่นอกเหนืออันนี้จังทุกขงาศาศาังรักษานี้ไปได้เล ย, เลยผูมีปัญญาพิจารณาให้เหน็นแจ้งชัดเจนทั้งภายนอกภายในแล้วย่อมปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงการเรียนทมเรียนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็ถึงสังเกตรเรื่องจิตใจของตัวอย่าไปสังเกตที่อื่นที่ใดมากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวกระเพื่อมหรือตัวเคลื่อนไหว ชูอารมณ์ต่างๆที่จะนําค่าสืบเข้ามาสู่ตนอยู่เป็นลําดับตําดาให้มองจุด น, นี้เป็นสําคัญผู้ปฏิบัติอย่านําเรื่องว่าความลํำบากลําบนปีนั้นปีนี้จะได้รู้ได้เห็นนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จะมาจีดขวางจิดใจของเราให้เกิดท่อถอยให้เกิดความท่อถอยอดแอดท่อแท้เหลวไหลไปได้เพราะเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมกิเลส ย่อมเป็นข้าสึกต่อธรรมอยู่เสมอดังและจิก่ามาแล้วนี่ถึงใจพวกขันทั้งหลายแล้วอย่างกิเลสเคยเป็นข้าสึกต่อธรรมมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเป็นข้าสึกต่อธรรมแล้วกิเลสอยู่ภายในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี้จึงถูกปิดกัน้นหัวห้ามโดยประการต่างๆของอุบายแห่งกิเลสทั้งหลายจะไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าการเวลาก็คือกิเลสปักปันเถ็ดแดนเอาไว้ ถ้าเลยนั้นแล้วก็จะท้อท้ออ่อนแอเนี่ยนั่งภาวนาก็จะนั่งเอาเวลาเสียอืได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชัออ่วโมงเดินจง ก, กรมก่อนเดินเอาเวล่ำเวลาไม่ได้เดินเอาอัดเอาทําอันนั้นเป็นแผนการของกิเลสทั้งมวลให้พึ่งพากันทราบเอาไว้มันมาอย่างสลับซับซ้อนมาอย่างแยกขายสิ่งที่เป็นค่าสืบต่อธรรมนั้นมีอยู่กับใจแทรกอยู่กับใจนั่นแหละแซงขึ้นมาที่ใจนั่นแหละ เราจรึงประกอบความภากเปลี่ยนไม่ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไม่ได้ต้นไม่ตายเพราะกิเลสมันกีดมันขวางอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายก็กิเลนั่นแลพาทุ่มออกไปอีกให้ทําลายทำวันนี้เดินจงกรมม า, า, านานแสนนานปิดใจไม่เห็นสงบนั่งสมาธิมานานแสนนา น, านก็ไม่เห็นสงบการปฏิบัติมาก็นานแสนนา น, านหลายปีหลายเดือนไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนี่กิเลสมันพาทุ่มให้หนักนั้นเนี่ยมันจะเอาให้ล้มนานนาวแล้วนะความภาคเปลี่ยนจะล้ม นี่เป็นแผนการของกิเลสทั้งนั้นเราทราบหมายว่านี่คือแผนการของกิเลสไม่ใช่แผนการของธรรมถ้าเป็นแผนของธรรมแล้วทมวันนี้ไม่ปรากฏผลเอาให้หนักยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปสติตั้งได้พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติบำรุงสติเป็นสิ่งที่บำรุงได้เป็นสิ่งที่อบรมได้ปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้มีได้ ทำไมจะทําให้เกิดไม่ได้เอาให้หนักลงไปหนักลงไปนี่คือแผนของธรรมเพื่อจะปราบกิเลสต้องเดินแผนนี้แล้วอย่าเอาเครื่องมืออย่าเอากิเลสมานํากิเลสมาเป็นนายเราในขณะที่เดินจงกลมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีภาวนาทุกแง่ทุกมุมทุกอียาบทก็ดีมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นได้เท่านั้นเพื่อวงได้เท่านี้นาทีแล้วจิตมือมองคิดไปไหนพุ่งสัน้น้ําคาญ หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาทําแม่นนิดหนึ่งแทรกสิงอยู่ภายในกระแสของจิตในอขณะที่นั่งภาวนาไม่มีเลยมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทํางานป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนออกหน้าออกตาอยู่ภายในจิตใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนก็เมื่อเราทํางานกับกิเลสาเวลาทวงหาหาผลก็ได้แต่ผลกิเลสแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือผลของกิเลสออืแล้วก็ไปตําหนิธรรมว่าผลอย่างทํามไม่ปรากฏนะ แหลมคมหมายกิเล็ดูเอาเมาสปฏิบัติตายถ้าไม่ลงจุดเดียวกันนี่จะลงไหนเพราะความยิงเป็นอย่างนี้ขอสติปัญญาเหนือกิเลสเถิดเราจะรู้กฎมายาของกิเลสออกในแง่ใดมุมใดวิธีการใดแทรกแซงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างขณะดกิตใดบ้างจะทราบได้ทันทีทันทีเมื่อสติปัญญาเหนือมันแล้วถ้าไม่เหนือจะต้องถูกมันกล่อมตลอดไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิ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 แนวทางแห่งธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบและในขณะเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อการปราบกิเลสมันจึงไม่ยอมให้ปราบง่ายง่ายถ้ามีทางที่จะต่อสู้ขัดขวางได้ในแงไ่ใดแล้วมันจะต้องทําอยู่เสมอกิเลสไม่มีคําว่าเกียดคร้านมีแต่ความขยันมันเพียนเป็นอัตนมัติของตนโดยลําดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและยังจะเป็นต่อไปอีกหากาหนดเวลาเวลาสุดเิ้นลงมาได้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมีความเกียดครานพระแท้อ่อนแอเลวไหลได้นะ แต่เวลาเราจะประกอบความภาคเพียร น, นี้มันมีแต่ความท่อแท้ไหลเพราะอำนาจกำลังของกิเลสนั่นเองอเวลาไหนเวลากิเลสมันหลับมีใหม่มันพักตัวมีใหม่มันไม่มีมีนี้แต่เวลาทํางานของมันนอกจากเวลาหลับเท่นี้เสียเท่า น, านั้นมีเท่านั้นเวลามาทํางานของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นกิเลสตัวใดมากที่เกียจขี้คลาดเพราะที่จะจับมาตีเอาง่ายๆฆ่าเอาง่ายๆ อย่างสบ า, สบายเหมือนข้าปูข้าปลาไม่ไม่มีทางถ้าไม่เอากันอย่างเข้มแข็งค่าสติปัญญาตามหลักธรรมความเพียรตามหลักธรรมเดินจงกรมก็ตามหลักธรรมนั่งสมาธิก็ตามหลักธรรมอิรยาบถต่างๆคาที่ว่าประกอบความเพียรให้ไปไปไ ป, ไปตามหลักธรรมนั่นแหละจะปราดยิเดได้นอกนั้นเป็นไปไม่ได้ข อ, อย่านำมือล่ำมือหลา ความทุกข์ความยากความละบากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของเปลี่ยนอันเป็นความผิดทั้งเพ่และเป็นแผนของกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้เสมอตอนที่กิเลสตัวใหญ่ใหญ่ให ญ, ใหญ่ตัวเป้งแป้งมันเต็มอยู่หัวใจน่นสิการลบกับกิเลสตัวใหญ่ๆก็เหมือนกับการลบกับข้าศึกใหญ่ๆกองทัพใหญ่ๆนั่นแหละเครื่องมือดีๆนั่นแหละ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 มีแต่ความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจสำคัญคือความทุกข์ใจปเป็นไปโดยลำดับกรรดาเพราะกิเลสมันทำงานได้แก่สมูทยัยผิดทุกออกมาเรื่อยๆดูเ่เฉยๆก็มาอยู่ชิดนั่นปรุงนี้เลือ้อ่นแล้วตั้งแต่ความปรงุงความคิดเพื่อผูกพันหรือทิ่มแทงหัวใจตัวเองนี่แหละที่ภาวนาไม่เห็นผลเพราะ แผนธงวิเศษมันเหนือเราเหนือเราอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่บำเพ็ญภาวนาอยู่นั่นแหละมันยังเหนือเราอยู่จึงต้องในใช้ความปีนี้ปีกนาศรธาความเปลี่ยนเอาให้หนักแน่นแต่นักรกเจีงจะสู้มันได้อิดนี้มันจะผ่าผลขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งหน้าตั้งตาสละเป็นสลัตากันลงทางความเพียรเพื่อจะเห็นเป็นสักยีพยานระหว่าง ความฟุ้งซ่านของจิตผ่าผลของจิตกับความสงบปราสาพลงด้วยการฝึกทรมานของเหล่านี้จะได้เห็นในขณะนั้นเนี่ยนอกเหนือความเพียนนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เนี่ยแผนการต่อสู้กยิเดศยาวความท้อถอยอันใดเข้ามาสู้กับยิเดศนั่นคือบริษัทบริวารของมันนั่นคือแผนของมันเองจะไปสู้กับมันได้ยังไง ต้องเป็นสิ่งที่เป็นค่าสืบต่อมันเป็นปฏิปักษ์ต่อมันถึงจะสู้กับมันอันนั้นมันเป็นแผนของมันอยู่แล้วไม่ควรจะนำไปสู้ท่านผู้เลิศเราก็ได้กราบไหว้ทุกวันเวลาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเสมอกันหมดพระธรรม ถ้าเป็นจิริยาก็คําสอนของผู้ดีเจ้าเลิศเหมือนกันหมดเพราเป็นสัวขาตัดทมด้วยกันคือตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันไป น, นิยานิกระทำที่จะนจําสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งสัวขาสัวขาทำที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นเหมือนกันหมดนี่เป็นจิริยาเป็นอากาศของธรรมทำแท้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือทำแท้ทำนั้นแหละที่จ ป, ประเสริฐประเสริฐแทแท้เป็นแก่นเอาจริงก็คือทำในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแหละแต่ต้องอาศัยอาการแห่งธรรมนี้เช่นท่านแนะนําต่างสอนทางเหตุทางผลนี่เป็นอาการของธรรมของอาศัยนี้เป็นร่องรอยอาการเหล่านี้เป็นเหมือนกับ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 มีกิจาาการแห่งธรรมที่ท่านแสดงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเป็นร่องรอยทั้งนั้นเป็นร่องรอยของธรรมแท้ปฏิบัติตามอาการทองท่านแสดงไว้ด้วยส่วนขาตธรรมนี้ชื่อว่าเราเดินตามรอยโขเนี่เดินตามร่องรอยแห่งกระแสะของธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นลําดับตาํามดาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมก็เหล่านี้จะเป็นอาการประทับแต่เริ่มเข้าถึงตัวโดยลําดับแล้วย่กระทั่งถึงมุดดุดทน ใ จ, ใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมล้วนๆซึ่งธรรมแท้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็ได้พูดว่าใจก็ไม่ผิดในขณะที่ยังทรงธาตุทรงขันทรงขันนี้อยู่แต่เมื่อได้ผ่านอันนี้แล้วคำว่าจิตหมดปัญหาไปหมดเป็นธรรมทั้งดวงไปเลยธรรมแท้นี่หลักประเสริฐเล่กากราบทุพันกราบธรรมในหลักธรรมชาติอันนี้กราบทุกวันพระสงฆ์สาวก ก็เช่นเดียวกันองค์ประเสริฐประเสริฐทั้งนั้นที่วัดสังฆังสนังกระฉามนี้ไม่มีแม้องค์หนึ่งที่ไม่ประเสริฐรักษาทุกวันท่านประเสริฐเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะเหตุใดพระธรรมปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้นําอาการเห น, นั้นมาสอนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดทำเหล่านี้เพิ่งมีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้จัดสรุปเท่านั้นเหรอ ทำอันประเสริฐนี้มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเวลานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะความความสามารถทั้งยังยังไม่มีเมื่อมีก็เปิดเผยขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นผู้จะรบับธรรมสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดวีมุติเต็มที่ของธรรมเต็มอัตราของธรรมที่ว่าประเสริฐแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสทรา บ, รา บ, ราบเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ต่อทำทั้งหลายคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมดินเป็นดินไฟเป็นไฟสถานที่ต่งตางๆอากาศกลางหาวเป็นเรื่องนั้นๆันนนนไปไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ผู้จะรับสัมผัสรับทราบธรรมไม่ใช่สถานที่ที่จะสถิตสถอยู่แห่งธรรมมใจนี้เท่านั้นเป็นที่สถานเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสถิตแห่งธรรมและที่เกิดของธรรม แล้วสถานที่บำรุงทำก็บำรุงอยู่ที่นี่รู้กันที่นี่เห็นกันที่นี่ทำมาประเสริฐประเสริฐ้งในแก้วสามดวงนั่นมันไม่ไม่ถึงใจพวกพวกเราบ้างเหรือเป็นยังไงจึงไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันกีดกันปิดบังไว้ไม่ให้ถึงใจให้ถึงแต่กิเลสทั้งนั้นความโลภมันถึงใจทุกวันเชื่อมันทุกวัน ความโกรธเป็นทุกวันเอาไฟเผาเราทุกวันไม่ยอมเข็ดหลับความหลงงุ้มงุมงุมง้มอ่าม hmm. ไม่มีเหตุมีผลพรอกิเลส ต, ตัวแหลมคมนั้นครอบไว้ให้โงอด้วยความฉลาดของมันแล้วติดมันทุกวันไม่เคยจืดจาง hmm. เวลานี้รสชาติของกิเลสมันกำกลังมีอํานาจมากรสชาติของธรรมจึงเกิดไม่ได้ปรากฏขึ้นไม่ได้เราจึงไม่เห็นอะไรเป็นพระสุะ พระพุทธเจ้าประเสริฐก็สักแต่ความรู้แยบเดียวเท่านั้นไม่ถึงใจถ้าทําว่าประเสริฐก็เพียงแยบขณะเดียวเท่านั้นถ้าสงฆ์ว่าประเสริฐก็แยบในขณะอีกเดียวเท่านั้นแต่ไม่ถึงใจการที่จะให้ทําเหล่านี้ถึงใจก็ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เชื่อท่านตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสที่ถ้าเราอยากเห็นธรรมแต่เชื่อกิเลสก็จะเห็นแต่กิเลส เจอแต่กิเลสเจอแต่ผลของกิเลสผิดขึ้นมาบันลัคนิมมีแต่ความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายความละสัมลักสายพุ้งเฟอเ้อเหอเหินฟุ้งซ่านนาคานตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของกิเลสทํางานและผลของกิเลสผิดออกมาเป็นความทุกข์ถ้าเชื่อกิเลสก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเชื่อทำแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสทุกก็ยอมรับว่าทุกเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้รู้เห็นตามหลักธรรมของพระเจ้านี่เป็นที่พอใจปฏิบัติตรงตรงนี้ ความประเสริฐนั้นก็จะถึงใจจะเริ่มถึงใจมาตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจเพราะเป็นความสงบเย็นผิดกับสิ่งทั้งหลายสงบลมสงบลมไม่พัดไม่ผันก็ว่าสงบแต่หาความสุขให้คนได้ยากไม่เห็นเอาอะไรมาให้ความสุขคนอะไรอะไรสงบก็ไม่ทําความสุขให้แก่คนใจสงบนี้ทําความสุขให้แก่ตนโดยแท้นี่ฮะนี่เรียกว่าเห็นผลจะเริ่ม ถึงใจประตักขั้นแห่งความสงบของจิตเพราะเป็นผลประจักษ์ใจแล้วทำขั้นนี้ได้สัมผัสสัมพันธ์ถึงใจแล้วใจได้เป็นภาชนะของธทำขั้นนี้แล้วอางนั้นก็เป็นขั้นของปัญญาไปตามลํำดับลำดับสุดท้ายก็เข้าถึงองค์แห่งพุท ธ, ธะแท้เข้าถึงองค์แห่งธรรมแท้เหมือนกับตามรอยโคไม่ปล่อยจนถึงตัวโคมีการปฏิบัติตามหลักแห่งสัวขาดธรรมไม่ยอมลดละตามหลักแห่งสัวขาดธรรม ที่ทรงที่แสดงไว้ชอบที่ตราบไม่ชอบแล้วเดินตามนั้นเมื่อเดินตามนั้นแล้วคำมานิยานิกระทำก็ขนทุกข์ทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะขนสมุทัยทิ้งออกทิ้งออกได้มากน้อยก็เท่ากับขนทุกข์ทิ้งออกมากน้อยเช่นเดียวกันเมื่อขนสมุทยัยปราบสมุทัยให้เรียบราบไปหมดภายใจิตใจแล้วทุกจะปรากฏขึ้นที่ใจได้อย่างไรไม่มีทุกข์เกิดขึ้น ใ, ใจก็มีแต่บรมมะสุขเท่านั้นเต็หมหัวใจนั่นแหละทำแทดิน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 รวมอยู่ในใจดวงเดียวนี้เพราะฉะนั้นจริงว่ใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับรองมรรคนิพพานเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีภาชนะใดสิ่งใดจะเสมอเหมือนเกี่ยวกับความเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายเวลานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดในหัวใจเป็นภาชนะของกิเลสนอกจากเป็นภาชนะของมันแล้วจึงถูกมันเหยียบย่าทําลายแหลกเหลวเลวร้ายไปวันหนึ่งวันหนึ่ง มีแต่สิ่งเหล่านี้ขยี้ขยำจิตใจเราห า, หาความถุกไม่ได้มีแต่ความถุกแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของของอัศาจรรย์ได้ยังไงถ้าอยากจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอัจรรย์ก็ย่ำยีตีหแดกกิเลสซึ่งมันอยู่ภายในใจลงไปเช่นเดียวกับมันย่ํายีตีแดกเราละสิสอืมซอกกลับมั่งใชย้อนกลับต่อสู้กันเห็นผลประจักษ์ภายใน จ, จิตใจ ทำเป็นทำสดๆร้อนๆแท้ๆทำที่ควรแก่การปราบพิเดษทุกประเภทแห่งธรรมอยู่แท้ๆล้าสมัยไปไหนไปอยู่กับการใดสมัยใดเมื่อไหร่ไม่อยู่กับการไม่อยู่กับสมัยเช่นเดียวกับพิเดษไม่อยู่กับการกับสมัยแต่อยู่ที่หัวใจคนทำมาเมื่อเราขิดขึ้นมาปัจจัยก็อยู่ที่หัวใจเราแล้วปราบพิเดษไปในตัวนั้นเสร็จขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จอมปราดก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเป็นของจริงเต็มส่วนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเต็มส่วนพระสงฆ์เป็นของจริงเต็มส่วนเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเต็มตัดเต็มส่วนไม่มีความมากปลองว่าแปลงแล้วปฏิบัติใจของเราซึ่งมันเต็มไปด้วยความจําปอะเพราะอํานาจแห่งกิเลสตัวจําปอะนี้ให้มันสิ้นไปโดยลําดับลำดั บ, ดด บ, ดดบแล้วจะเห็นความจริงขึ้นที่ใจของเรา การลื้อพบลืวอชาติลื้อที่นี่การล้างปัดช้าล้างที่นี่เพราะตัวนี้เป็นตัวปลาให้เกิดให้ตายไม่ใช่ตัวไหนยิเลตตัวนี้แหละเมื่อล้างอันนี้ออกหมดอจิตใจะสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นอมตะล้างปาัดช้าได้อย่างสะอาดเต็มที่หมดเชือ่อไม่ต้องปหาเกิดอันเป็นการหาความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันอีกต่อไป พูดเปลี่ยนแค่นี้รู้สึกนหน่อย